BOOK 2สี่สิบเอ็ดอร์มุตตาเอิร์ีที่ไหนออเรีเียออรียนตาีสำนักงานการท่องเที่ยวอยู่ที่ไหนคะซาดาริสตูริสตูริเซนตร ทริตซนทรคุณมีแผนที่เมืองให้ดิฉันไหมคะคคคลัิสคม อ, อาจองโรงแรมที่นี่ได้ไหมคะชซตรตาาชนะชากซตมรตา เมืองเก่าอยู่ที่ไหน s a d a r i s t u e l i c a l a k i s a d a r i s e l i a l a k i วิหารอยู่ที่ไหน s a d a r i s t a z a r i s a d a r i s t a z a r i พิพิธภัณฑ์อยู่ที่ไหน s a d a r i s m u e u m i s a d a r i s m u e u m i ซื้อสแตมได้ที่ไหน sadik ideba sapostomarkebi sadik ideba s a p o s t o m a r k บ b i ซื้อดอกไม้ได้ที่ไหน sadik i d e บ a kvavilebi sadik i d e บ a k v a v i l e บ i ซื้อตั๋วได้ที่ไหน sadik i d e บ a samgizavro b i l e t e ท้าเรืออยู่ที่ไหนทัดอาริสนาฟสัดกูรีัอาริสนาสัดกุรีตลาดอยู่ที่ไหนทัดอาริสบาซารีัอาริสบาซารีปราสาทอยู่ที่ไหน ส a ด aris ซาซัคล์เซตอาริสซาซัคล e การพาเที่ยวชมเริ่มเมื่อไหร่รดิสิทซียรดสิทเซบอซการพาเที่ยวชมจบเมื่อไหร่รดสทรอกซียรสทบอกซีย การพาเที่ยวชมใช้เวลานานเท่าไหร่ร a มเดนฮาร์สเกิร์เซลเด์ไปเอ็กซกูรซียาดิดิฉันต้องการมาคุเทที่พูดภาษาเยอรมันมินดากิดลิตส์เ r ิร์แม a ูลลเลิตส a เกร์แนูลัดลาปาร ดิฉันต้องการมาคุเทที่พูดภาษาอิตาลียมินดากติเลอตียรัตลาปาราโกสม a นดาก r ต m โรเมลิตซ์อิตาเลียรัตลกดิฉันต้องการมาคุเทที่พูดภาษาฝรั่งเศสม i นดากิติโรเมลิตซ์ r a ั่งเศสรัตลาปานดาก รังก u ลัดล a p a ร a กอบส